ไปก่อนก็ได้นะแมเมา <c oughs> ไปเปิดได้ปิดได้ฉันได้ใจของเราหลงได้ก็รู้ได้ฉันนั้นเพราะว่ามันเป็นของคู่กันแต่ว่า การที่เราจะรู้ได้ไวก็ต้องฝึกความรู้มันตกฉานว้องไวคล่องตัวไปตามลำดับของการศึกษาเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมันก็บไตบันไดขึ้นลงเป็นขั้นเป็นขั้นชั้นหนึ่งสู่ชั้นสองการศึกษาธรรมะ เหมือนก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือต้องเรียนรู้รับรู้แล้วก็รู้ให้ถูกการู้รู้ถูกก็คือการสัมผัสรู้ที่ความรู้สึกที่ตัวเนื้อตัวกายของเราแล้วก็ตัวจิตตัวใจของเราที่ว่าของเราก็หมายถึงว่ามันเป็นสภาวะที่เรา มีมันมาตั้งแต่เกิดกายเรียกว่ามหาปูตรูปตอนงแต่เกิดมาปฏิสนธิแล้วก็ก่อตัวมาธาตุน้ำธาตุไฟธาตุหินธาตุลมก่อตัวจตั้งไดอายุก่ อ, อกมาดูโลกว่างจิตใจของเราสั่งสมมาไว้บุพกรรม นีบา ก, กรรมต่างๆอานิสงผลบุญต่างๆจงต้อ ง, งรวมตัวกันกลายเป็นต้องมีภูมิชาติกำเนิดพอคนนี้แม่คนนี้บางทีก็พัดพลากันไปเกิดกับอีกคนไปโตกับอีกคนบางทีก็อยู่กับคนรวย บางทีก็อยู่กับคนจนเกิดกับคนรวยไปอยู่คนจนเกิดกับคนจนไปอยู่คนรวยอันนี้มันเป็นวิถีกรรมที่ศาสหามีความเชื่ออย่างนี้นเชื่อว่าทําดีก็ดีทํำชั่วก็ชัว่วแล้วก็คณะจะหมดลมหายใจบนมันก็พาไปาบามบนก็พาไปเรียก ว, ว่าสี่คนหามสามคนแห่ หนคนตั้งแค่สองคนพาไปสี่คนหายเมื่อคือร่างกายของเราวัตถุรูปธรรมตัน้ําตาดไฟตา ด, ดินตัดลมมันแห่อาการที่แห่แล้วพระไตรักษันนะั้นมันแห่สี่คนหาสามคนแหนเน่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่ความแปรปรวนความไม่แน่ความไม่เที่ยง อันนี้จังอันนี้จะมันหามอยู่ตลอดเวลามันแหย่อยู่ตลอดเวลาบางคนนั่งแค่คือจิตใจของเรามโนปุพังกรรมาธรรมามโนเสถิหามโนมายากายกระใจนี่อยู่ด้วยกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันมาตลอดดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดแต่อยู่ๆวันต่างๆคนต่างต้องแตกแย่กันไป ถึงวันที่ต้องดับขันสูวนจะหลายแยกทนอยู่กันไม่ได้เพราะนั้นใจมันเป็นใหญ่ใจนันสั่งให้สุขให้ทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจที่มีปะจจวะตรรู้หรือว่าหลงถ้าหลงมันก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์การทนอยู่ด้วยกันได้ยากแต่ถ้า มันมีสติรู้รู้มันจะเห็นว่าเออต่างคนต่างอยู่ตามกฎของธรรมชาติต่างคนต่างไปตามกฎของธรรมชาติถ้าหากว่าสติปัญญามันพาไปก็เรียกว่าสุขโตไปแล้วด้วยดีถ้าหากว่าบุญพาไปก็เรียกว่าสุขติไปสู่สวรรค์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมถ้าหากว่า ความทุกข์มันพาไปบาปมันพาไปทุกขติเป็นความทุกข์เป็นอบายภูมิเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นส่วนรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ขณะปฏิบัติเราก็จะได้เห็นเลยถ้ารู้สึกตัวเป็นปกติดีก็เป็นพระเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายจะเป็นสภาพธรรมที่เป็นธรรมดาธรรมดาเฉยๆแต่ว่ารู้นะ รู้แล้วก็จบทันทีจบทันทีคิดมาปั๊บตัดทันทีจบทันทีคิดปั๊บรู้ทันทันทีหรือว่าไม่คิดมันก็รู้อยู่พอความคิดมันเกิดขึ้นมันก็รู้เท่ารู้ทันมันจึงเป็นเรื่องของตาในตาสติตาปัญญาที่มันรู้ทิศรู้ทางบางทีมันก็มีอาการของจิตที่แสดงออกมา เป็นลนักษณะของความคิดนะที่เป็นก่อนขัดแยง้งยกมือนี่มันเกิดการขัดแย้งได้ทันทีนะจิตของเราเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนด้วยนะบางทีมันก็มีสภาวะทุกข์แสดงออกมาแล้วมันก็ยกไม่ได้มันปวดเมื่อยตัวบางทีมันก็มีวิธีคิดว่าทํำไมต้องยกมืออย่างนั้นนะมันเริ่มมีอากาคติเล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหนะ้าเราตั้งใจว่าจะยกมือตั้งใจว่าจะเดินจงกรม ตั้งใจไว้จะกำหนดลมหายใจตั้งใจไว้จะกำหนดท้องพองยุบตั้งใจไว้ดำหลีเอาไว้แต่อยู่ๆก็มีจุดอ่อนแสดงออกมาอาการม่วงเหงาหาวนอนอะไรแบบนี้มันจะแสดงปรากฏให้เราได้หยุดปฏิบัติแล้วถ้ารู้อาการรู้ว่าสภาวะเหล่านั้นโดยที่สติยังไม่แข็งแรงมันก็จะโดดเข้าไปเป็นกับดักทันทีอารมณ์จะโดดลงไปแล้ว อาการปวดอย่างเงี้ยนะรู้อยู่ว่าปวดแต่ว่ากําลังสติไม่พร้อมจะดูดเข้าไปเป็นเจ็บปวดนะปวดกายปวดใจอย่างเงี้ยทีนี้ไนอะ้วนะะนา อ, นะอาการที่มันสั่งให้หยุดตัวเนี้มันเป็นตัวอาสตนะิพอเฮ่อพอเฮ่อไม่ต้องทําแล้วนะเปลี่ยนี้บวเถอะเปลี่ยนี้บวเถอะอย่างเงี้ยนะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทั้งๆนี้นะขณะนั้นมันกําลังบอกให้เรามีตบะนะมันกําลังสร้างตบะ ว่าขันติอาการมันเป็นยังไงเราจะได้เห็นตรงนั้นเลยกันติปรลมังตโปติติขาขันติคือความอดทนลดกลัน้นทํางานกังนงานจะเสร็จตนทนไม่ไหวงานก็ไม่เสร็จอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จอย่างเงี้ยตรงนี้ เ, าเราทําดีไม่ถึงดีทําดีไม่ถึงดีอีกนิดนึงจะดีอยู่แล้วละจะสําเร ย, ยแล้วแต่ว่าทอแท้ไปซะก่อนมันกลไกลเป็นว่ากลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิม เราจะได้ก็ได้ประสบการณ์ว่าเออทำแล้วไม่สําเร็จเป็นยังไงมองจะได้ฝืนๆทนๆไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็สู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้หน้ะของจุดอ่อนที่จิตมันจะสั่งว่าอย่าทำเลยอย่าทําเลยอย่ายกมือเลยอย่าเดินโกมเลยพอเออกลับบ้านเถอะวันนี้ตอนนั้นเป็นหน้าของจิตที่เป็นเดรัจฉานภพภูมินี้เรียกว่าเดรัจฉานเลยดีก็ไม่ทําดีก็แยง้งอยู่ในใจ ฝนตกก็ดาฝนแดดออกก็ดาแดดพวกนี้เป็นลษณะของเดรัจฉานทั้งนั้นเลยหรือว่าน่ยลักษณะของพ่อเป็นคนดีแม่เป็นคนดีอยู่แล้วโดยคุณธรรมก็บ่นไปบ้างก็ดูด่าว่ากล่าวบ้างก็ชี้นําบ้างก็บอกประสบการณ์ของเขาแต่เราก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวกับคำบอกคําสอนพระก็เหมือนกัน ทนทำดีได้ยากมันก็จะร้อนพ้าแล้วนะอะไร่ะจิตเดรัจฉานจะอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ได้พ่อก็บอกว่าฝนตกซื้อมาตอไซให้ใหม่อยากขับออกไปนะลูกพ่อก็พูดดีไหมลูกก็ได้มาใส่ไซใหม่ๆก็เฮอนัดกับเพื่อนไว้หรือบางทีก็เห็นพ่อบ่นมากๆเลยประชดประชันประชด เขบอกอย่าไปเลยลูกฝนมันตกถนนมันลื่นนะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปเลยแปนแปนแปนแป น, แป น, แป น, แปนโครมหน้าปากสอยก็คือพอจิตเป็นเดระฉ า, านก็อยู่ในร่างมนุษย์ไม่ได้มันพบคนละพบกันภูมิคนละภูมิกันร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดระฉานเดี๋ยวก็หาเรื่องตายร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเดี๋ยวก็หาเรื่องตายทอาา้องทะพุกเข่ามือทะใบตานปากทะรูเข็ม กินเท่าไรก็ไม่อิ่มอยากตลอดยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอประเภทนี้โลภมากคนขี้โลภเราได้เห็นจิตใจของเราขณะที่มันสร้างจังหวะอยู่นี่แหละอยากนั่นอยากนี่อยากโน่นสแสดงพภพภูมิของจิตมาเป็นความโลภบางทีก็เป็นสัตว์นรกล้อลุ่มดีก็ไม่เอาดีก็ไม่ทําดีขนาดไหนจะดีช่วยกับตัวกูอย่างเนี้ย มันเป็นเรื่องของจิตที่มันร้อนรุ่มเป็นลักษณะอาบายภูมิเป็นภูมิที่เสื่อมบุญที่ต่ําบางทีก็ขี้ขล า, าดกลัวกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้ที่กลานกล้ากับกลัวไอ้ที่หน้ากลัวกับกล้าทำอย่างนี้นะเป็นเรื่องของความหลงพาธรรมอันนี้ก็หมายถึงภพูพมิที่เรียกว่าอาสุ ร, รกายอาสุ ร, รกายจะจีบผู้หญิงก็ต้อง กินเหล้าสักหน่อยจะไปทวงนี่ก็ต้องกินเหล้าสักหน่อยจะทํางานทําการเนี่ยโอ้มือไม้สั่นไปหมดถ้าได้เหล้าสักเป๊ะเงินนิ่งเลยกลุ่มนี้กลุ่มของอสุรกายต้องไปกินสุลาสุลาว่าสุลาสุลาว่ากล้าหารอสูรกับขี้ขาดตาขา ว, วพวกนั้นะกลุ่มที่ไม่กล้าแสดงออกทั้งหลายพวภูมิจิตเลองดูดีๆมันไม่ได้มีความสุขอะไรเลย ไม่ได้มีความเป็นปกติอะไรเลยมันมีแต่อาการที่มาครอบงํามีอิทธิพลทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองนั้นขาดความมั่นใจแต่พอเรามารู้สึกตัวเราก็ได้เห็นโอ้มันมีจุดหนึ่งความคิดอารมณ์มันจะสั่งเราไม่ได้แต่ว่าสติปัญญาที่มันเห็นว่าเป็นความดีมันพาทำรร ม, มันมีอยู่จริงๆเรียกว่าภพภูมิ กายภูมิสุขติภูมิสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพรหมบาที่อยากให้กันมาอารมณ์บุญนะปฏิบัติอยู่ดีๆนะมันเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีมันก็จะทำํำเอาทธาลัยมันก็ไม่อยู่อารมณ์บุญเนะี่มันทําแล้วมีกําลังมันมีพลังทําดีทางกายทางวาจาทางจิตใจนะอย่างเช่นว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมันเห็นมันอดไม่ได้ เห็นก็อีตากฝนน้่มทนไม่ได้หรอกมันรู้คุณค่าแล้วมันเก็บเข้าที่เข้าทางมันจะไม่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างตากแดดตากฝนตากลมมันกรอบมันเห็นแล้วมันจะรู้สึกอืมนี่คือความดีมันเป็นหน้าที่มันรักษาด้วยปัญญาเฉยๆก็ได้บางทีไม่ต้องถึงขั้นมีความสุขภาทันเดี๋ยวมันจะบ้าบุญติดอารมณ์บุญมันมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าะ เราเห็นว่ามันมีประโยชน์มีคุณมีค่าแล้วเราก็สามารถที่จะเกลื่อนไหหยิบจับเก็บให้ถูกที่ถูกทางอันนี้เป็นตัวปัญญาพาธรรมเห็นสลามันเรลอะหยิบไม้กวาดมาฟาดอย่างเงี้ยนะอันนี้สติปัญญาบรรพาธรร ม, มันก็เรียบร้อยด้วยมันรู้ว่าลมพัดจากทิศไหนไปทางทิศไหนมันก็กวาดตามทิศ ท, ทางของลมไม่กวาดทวนลมอย่างเงี้ย ก็รอให้ลมสงบก่อนแล้วค่อยกวาดอะไรประเภทนี้มันจะมีปัญญาเกี่ยวข้องมารู้ว่าฝนตกอ่ะเดี๋ยวค่อยกวาดนะไม่ใช่ฝนตกเลยกวาดใบไม้อย่างนี้ไม่ทำหรอกมารู้แต่ถ้าฝนตกแล้วก็พยายามจะเอาต้นไม้ในลมออกไปตากฝนเนี่ยเอออันนี้มันทําอยู่มันก็จะเลือกรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ย อนนี้เป็นอาการของจิตที่มันมีสติมีปัญญาแล้วจิตมันก็เป็นใหญ่ดนะ้ใจเป็นใหญ่กายนี่เป็นเป็นลองเป็นเบามันเป็นพวงแพรแล้วแต่จิตก็จะสั่งสั่งให้นั่งก็นั่งสั่งให้ลุกก็ลุกสั่งให้เดินก็เดินสั่งให้นอนก็นอนแต่ว่าจิตใจของเรามันมีสติมันมีตัวรู้รวมมีตัวหลงสั่งนี่เนี่ยสคัญ เราก็จึงเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกันเราจะเห็นว่าการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะมันสร้างภพภูมิสร้างสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นแล้วนะของกรมธันเป็นหลักระกันเลยว่าแต่เรารู้สึกตัวถูกต้องต่อนหนึ่งลนะศีลปรากฏชัดศีลขันสมาธิขันปัญญาขันนะปรากฏชัดขันก็หมายถึงว่าการลองรับนะการลองรับ เมื่อก่อนเนี่ยรูปขันหรือว่านามขันเนี่ยเป็นใหญ่มากนะก็เป็นใหญ่มากร่างกายแก่เจบ็บตายเป็นใหญ่มากรูปจิตของเราเนี่ยมันใหญ่มากกับการปรุงการแต่งสังขารละขันตัวเนี่ยนะใหญ่มากแต่ตอนนี้เราสติสมาธิปัญญามีศีลปรากฏออกมาความเป็นปกตินะยิ่งใหญ่มากมันเป็นตัวรองรับขันก็คือรองรับอนะ แล้วขันขัะแตนเหลดขันทองเหลืองหรือว่าบางทีคนโบราณนะครับเอาใบไม้เออเอาเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาต้นไผ่หรือใบไม้ก็เคยเห็นเหมือนกันมาสารสารสารให้มันแห้งนะสารแล้วทิ้งไว้แห้งแล้วเอาชันยาอาชันลงใบไม้ที่ว่าคือทางมะพร้าวเนะี่ยเอ า, าสารก็ลําเป็นขันตักน้ํากินได้เคยเห็นหรือเอาไม้ไผ่นะเหลา แล้วเสร็จแล้วก็อามาสารเอาตอกจากตอกเอามาสารกันพอ ม, มาสารเสร็จแล้วก็เอาด้ามไม้ไผ่ใส่ก็เรียกว่าเป็นขนางรู้จักไม่ขนางชาวนานก็จะได้ใช้ขนางเวลาอาบน้ําให้ควายให้หวัวเนี่ยก็จะเอาขนางเนี่ยบิดน้ําใส่ลดน้ําใส่ควายวัวอาบน้ําให้ขนางแล้วก็ บางทีมาทำเป็นคุตักน้ำคุกคุก็หมายถึงว่ามันเหมือนกับกระบงอ่ะนะกระบงกระบงเหมือนกับกระเช้าเสร็จแล้วเอาชันมายาให้ดีๆชันนังลมอ่ะนะสีดำดำเหนียวเหนียวยาไปแล้วก็เอาเชือกผูกแล้วก็สาวสาวสาวสา ว, สาวลงไปตักน้ำได้ กระป๋องหรือว่าถังพลาสติกนี่มีค่ามากนะสักประมาณสามสี่สิบปีก่อนเป็นของมีค่าชนบทนี่แทบจะไม่มีใช้บ้านใช้บ้านใครได้ใช้ก็รวยถือว่าเป็นคนที่มีฐานะทีเดียวยนีมันตักน้ำอยู่ด้วยก็เนื้อมันละเอียดนะแล้วก็ถีบก็เหมือนกับจิตที่มันเป็นปกติจะเป็นเหมนมันมันถีมันนิ่งมันแยกใคร เหมือนกับน้ํานิ่งๆอะไรตกลงไปนิดเดียวมันก็รู้ละขนไก่ตกลงไปหรือว่า่ะละอองของเศษขยะใบไม้วัเนี้ยตกลงไปนิดเดียวมันก็เพิ่มทันทีจิตของเรามันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะเวลามันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกลมรู้สึกตัวมันนิ่งๆมันแทบจะไม่รับอารมณ์จากภายนอกเลยการการับอารมณ์ก็หมายถึง อารมณ์ที่มากระทบแล้วก็เข้าไปติดเรียกว่าอาการที่เรียกว่าสั่งยว่าได้ะสั่งย่อก็คือมันติดเป็นยางเหนียวเลยความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดขึ้นมาจากการกระทบกับอารมณ์นะวนทางมันปรุงใช้นิสยัยจริตต่างๆสแสดงออกมานะใครมีตัวไหนมากตัวนั้นก็สแสดงออกมามาก คนมีโทสะโทสะก็จะแสดงออกมาคนมีโมหะโมหะจะแสดงออกมาคนมีโลภะโลภะก็จะ <c oughs> แสดงออกมาเราก็ได้อ่านนะเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวมันก็จะเจือจางคลายหรือว่าหลุดหล่นลงไปทันทีอาการตรงเนี้ยหลว ง, งปู่เทียนได้เคยเปรียบเทียบ แล้วก็ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนด้วยโดยการให้โยมมาไปเอาดินเหนียวมาดินเหนียวดินเหนียวนี่พอปาไปปั๊บติดเครื่องฝาเลยถ้าเป็นก้อนกรวดเนี่ยปาไปปั๊บหล่นไม่ติดเครื่องฝาอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าขณะที่เราฝึกสติอยู่รู้สึกตัวอยู่เวลาตาเปิดไปกระทบกับลมเนะี่ยมันไม่ติดกันหรอก อารมณ์มัก็เป็นอารมณ์ของมันนะแล้วหนาตาที่ไปกระทบอายตนะเนีมันก็เป็นเรื่องของอายณะภายในก็ภายในภายนอกก็ภายนอกมันจะไม่ดูดกันไม่ติดกันความคิดก็เหมือนกันพระเดชมคิดขึ้นมาเนี่ยนะสติกับความคิดนี่คนละตัวกันเลยสภาวะผู้ดูกับสภาวะตัวที่ถูกรู้เนี่ยคนละตัวกันเลย ตัวรู้ก็รู้ตัวเนี่ยคนละตัวกันนะเพราะฉะนั้นขณะที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยมันมีตัวรู้นะแล้วมันก็รู้ตัวการนี้เครื่องระลึกอื่นๆอารมณ์อื่นๆภายนอกเชนะ่นรูปรสกินเสียงพวกนะีนะ้มันมาสัมผัสกระทบนะความรู้สึกตัวเนะี่ยมันไม่กินกันไม่เข้ากันนะทีละตัวทีละจังหวะทีละเรื่องนะ ปัจจุบันขณะนั้นนั่นน่จิตทำงานได้ทีละเรื่องเมื่อสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายของนักกรรมฐานเป็นสิ่งที่กำลังทำและเป็นสิ่งที่ควรทำเยนะเขาเรียกว่าฉันทะทำด้วยความพออกพอใจมันจะเดินทางไปทิศทางไหนไม่เป็นไรเราเชื่อว่าถ้าทำถูกมันถูกทำมาเดินทางถูกมันก็ถูกทาง เมื่อเจริญสติแล้วก็จเจริญสติเป็นสติปฐานถูกสติมันก็จ ะ, จะเจริญตรงนี้ยมันจะมีความถูกต้องเลิกเกิดความดีแล้วก็เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่รู้สึกตัวเราล้ว่ามันไม่ทุกมันจะมีปฏิยาการบอกทิศบอกทางเราทันทีตรงเนี้ยมันเป็นวิชาพระจริงๆนมันเกิดกําลังจิตกาลังใจขึ้นมาเป็นภพละภายในจิตใจของเราก็เรียกว่าพระหรือว่าปรหมจรรย์ มันเป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เมื่อก่อนมันไม่บริสุทธิ์มันผิดปกติตอนนี้ใจมันใสใสใจมันสว่างสว่างมันมีความผ่องใสเกิดขึ้นมาภายในจิตภายในใจของเราเมื่อก่อนมันหนักอึ้งมันเป็นจิตใจที่มันหนักทุกครั้งที่มันหลงเข้าในความคิดมันมันงงตัวเองมันงนงมันสงใสมันคิดไม่ออกมันบอกไม่ถูกมันไม่แจ่มแจ้ง แต่พอมันเคลื่อนไหวรู้สึกมันเห็นการเคลื่อนการไหวของกายวัตถุรูปธรรมเห็นการเคลื่อนไหวของจิตมันเห็นการเคลื่อนไหวของสภาพธรรมต่างๆภายนอกภายในบางทีมีความง่วงมีความเบือ่อมีความง้องง่วงมีความโลภมีความปลงมีความสงบมีความสุขมันเห็นอาการเหล่าเนี้ชัดเจนแล้วมันก็ตอบได้ด้วยว่าคืออะไรมันคืออาการจิตมันมีอาการ มันก็รู้อยู่ว่าอาการเคลื่อนไหวทั้งหลายทั้งปวงถ้าหลงเข้าไปก็คือทุกข์สภาวะทุกข์เพราะนั้นมันเห็นทุกข์มันก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ทุกครั้งที่มันทุกข์เพราะว่าเข้ามันหลงเข้าไปในความรู้สึกต่างๆรู้สึกทางตาทางหูหลงไปทางตาทางหูทางจมูกนิ้นกายใจมันก็รู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวมันออกมารู้สึกตัวมันก็ปลอดภัยทันที พอเราได้เห็นกลไกเนวยเราจะรู้อ๋อมันมีจริงๆความไม่ทุกข์มันมีจริงๆทุก ๆ, กๆกขนาดที่มันรู้แล้วรู้ถูกรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นสภาวะของจิตที่มีสติเป็นใหญ่มโนปุพังกามาธรรมามนุเสรษฐามโนมายาใจทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นหัวหน้าจริงๆแต่เขาทำไมมีสติแล้วมันเป็นหัวหน้าที่ชอบทํา เป็นหัวหน้าที่บงังคับบัญชาแล้วก็เกิดความยุติธรรมขึ้นมาตัวสตินี่ให้ความยุติธรรมกายไม่เบียดเบียนใจใจไม่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นสภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์นที่บุตุชนคนทั่วไปไม่เคยเห็นมันเรือมันมีอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะเห็นเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าน้อยเหลือเกิน มันไปนหลงโลกหลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงกามหลงกินหลงเกียตดหลงนะเพราะว่าสังคมเขายอายุปุกแล้วนะเขาชี้นำเขาสร้างกระแสอันเนี้ยดีนะอันเนี้ยมีแล้วจะมีความสุขนะสังคมเขาบอกเขาสุโขหลีจะเป็นแมนนะกินเหล้านะจะเป็นสังคมที่ดีนะของคนทํางานถ้าได้เหล้าได้โซลาแล้วนะมันโผล่มิด มันมีความสัมพันธ์ที่ดีใครที่ร่วมวงก็ถือว่าเป็นเพื่อนนะก่อนบวชนี่ผมและธรรมาก็มีโอกาสได้ไปตั้งวงเล่าบ่อยๆคือพอดีมันมีนักกีฬาทีมชาติอยู่แล้วก็พวกนักกีฬานี่ชอบกินเหล้ากันอย่างมากกลางค่ากลางคืนหลังจากที่ชนะมาก็ฉลองกันทั้งคืนเป็นกันบ่อยๆก็จะมีสปอนเซอร์นะบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็จะเชิญกันมาบอลชนะอะไรงนะแล้วบางทีก็ได้การพ น, นันกันมาลักษณะของธุรกิจก็โยงก็หากันถ้าไม่ไปก็กลังเกียดถ้าไม่ไปก็ถือว่าเราเนี่เป็นแก่ดำเนะมือนก็สังคมปฏิบัติธรรมกันเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่ได้มีบทสนทนาตั้งวงคุยกันก็ถือว่าไม่ ไม่มีความสัมพันธ์สัมพันธ์ไม่ดีแต ก, ยกแกยกแตกแยกแกะดำอย่างงี้นะแต่ว่าเราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองดูว่าเราไปนะตั้งวนกินเหล้าเราไปแต่ว่าเราไปเอาผลทางธุรกิจอเอาผลประโยชน์เราไม่กินเหล้าเราก็จะดูกินกับข้าวนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันง่วงรู้สึกอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้เริ่มเมาแล้ว เออคนนี้เริ่มที่จะใช้นิสัยเก่าๆก็คือเริ่มเป็นอันถานแล้วนะเริ่มแสดงคําพูดหยาบคายแกะเพื่อนแล้วเนี้ยเนะี่ยเราก็ได้เห็นมันเห็นมาแล้วตั้งแต่ก่อนบวชไปอยู่วงเล่าเพื่อเอาผลประโยชน์นะจากนักธุรกิจเหมือนกับมอมเล่าแล้วเดี๋ยวได้เงินอย่างเงี้ยมันมีอยู่มันก็มีอยู่ในสังคมจริงๆบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวนะพอกินเล่าเสร็จก็ไปต่อที่อื่นอีก จนทั้งธุรกิจลมสลายลมละลายไปเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันชีวิตของเรามันผ่านอะไรกันมาบางทีปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆมันก็แสดงออกมาหรือบางทีมก็มีความภาคภูมิใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมาฝึกเจริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมีโอกาสได้เห็นความคิดของเราตามสมควรแก่การปฏิบัติปีติมันก็เกิดขึ้นมาความสุขก็แสดงออกมา บางทีก็นึกถึงหลวงปู่แหวนที่ก็นึกถึงพระเจ้าแผ่นดินบางทีก็นึกถึงคนที่เป็นปูญญิยะบุคคลของประเทศไทยที่ทําความดีความงามสร้างคุณค่าให้กับสังคมแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงออกได้เต็มที่เพราะาสังคมไม่ยอมรับมันมีอยู่ในประเทศไทยจริงๆหรือว่าในโลกใบเนี้ยเราจะเห็นว่าต่ําสุดห ส, สูงสุดเป็นยังไงจากสามันสู่จักรพรรดิเป็นยังไงหรือว่า จากสูงสุดสู่สามมันยังไงนมันจะเห็นเลยการใช้ชีวิตการมีสติมีสมัม ญ, ญับางทีก็มีมโนภาพต่างๆสแสดงออกมาจากการได้ยินได้ฟังอย่างเช่นเร็วๆนี้มีหลวงพ่อท่านหนึ่งชื่อหลวงพ่อณรงค์ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเป็นนักด น, นตรีมาก่อนทำงานระดับสูงของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วท่านเป็นนักด น, นตรีท่านก็กลางคืน ไปเล่นดนตรีกันนี่ก็มีผู้หญิงแล้วก็กินเหล้ามากมีเพื่อนมากทำงานมากแต่เงินไม่พอใช้นะี่ท้ายสุดก็เป็นโรคตับโรคตับแข็งท้องโตมากตอนหลังท่านเสียใจมากนะที่ทําให้ครอบครัวล่มสลายท่านะก็หยิบปืนไปจะฆ่าตัวตายหลังจากที่นะ่ะเอาผ้ากมาคาดพงุงแล้วเอาปืนเน็บผ้ากมาเดินไปที่วัดจะฆ่าตัวตายที่บ้านท่านก็ไม่อยากจะทำเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันจะ น้องบ้านแล้วคนที่อยู่ก็จะอยู่กันยากท่านก็นเลยตัดสินใจเดินไปที่เมน์นะไปฆ่าตัวตายที่เมนลูกชายสะกดเดินตามพ่อไปนะสะกดลอยตามเห็นพ่อเดินไปทางวัดแล้วก็พกปืนก็เห็นว่าพ่อจะต้องฆ่าตัวตายแน่นอนก็นเลยเดินไปแล้วกอดพ่อแล้วบอกพ่อกลับบ้านเถอะพ่อก็เขาอ่อนทันทีเลยนะเดินไม่เป็นเลยหมดเรี่ยวหมดแรง เสีย อ, อกเสียใจกันก็ทางของตัวเองทําให้ลูกต้องเสียใจอย่างเงี้ยตัวงก็เลยเดินกลับบ้านแล้วก็มาบวชก็มาที่วัดนี้แหละมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออมเกียนเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจไปทําอย่างมากก็คือตายคือตายงานนี้ยังไงก็ที่จะตายแล้วไงก็จะตายได้โรคมะเร็งเอโรคตับอยู่แล้วตับแข็งทีนี้ท่านก็เลยตัดสินใจปฏิบัติเต็มที่อุ้มท้องตัวเองท้องที่โตๆแล้วก็ตัดสินใจเดินจงกรมตะลุยไปเลยตายเป็นตาย ปรากฏว่าท่านเริ่มนะมีการดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นท่านเห็นว่าเออการบวชนี่ดีการเบญธรรมนี่ดีแต่ก็เลยเก็บอารมณ์เข้มเลยท่านไปเก็บอยู่ที่กุดิสิบสามขณะที่เดินจงกรมนะ่ะปรากฏนิมิตขึ้นมามนโนภาพมีผีนางไม้โผล่มาที่ต้นไม้อยู่ๆมีผู้หญิงโผล่มาสวยมาก แต่งชุดขาวสบายเสียงท่านก็ตกใจอยู่ๆมีผีโผล่มาจากต้นไม้ท่านก็โดดขึ้นกุฏิเลยท่านบอกว่ากลัวมากเลยแล้วเข้าไปในห้องปิดประตูปังแล้วจักพักหนึ่งค่อยๆแง้มมาดูว่าไปหรื อ, อยังไปหรื อ, อยังท่านบอกว่าขณะนั้นเองท่านรู้เลยว่าจิตตัวเองเหลอกตัวเองก็คือผู้หญิงคนนี้ยเป็นผู้หญิงที่นะ เป็นรุ่นพี่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพทุกวันไปโรงเรียนต้องข้ามเรือนั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เรือเป็นพานะข้ามตอนไปตอนกลับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยตกน้ำตายตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนเห็นคนก็ไปยืนดูกันแล้วก็มงดู ตัวหลวงพอ่อตัลงเองก็อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก็เปิดผ้าออกมาดูแล้วก็จําไว้ในใจประทับใจอ่ะตายเนี่ยภาพที่เห็นน่าสวยวตอนมีชีวิตอีกงามมากเลยนในความที่จิตมีราคะแล้วก็หลงรักผู้หญิงคนนี้มานานรุ่นพี่อะ่ะนะไม่กล้า บ, บอกในการแสดงออกตอนหลังมาเดินจงกรมมาจิตตัวนี้ยมันแสดงออกมาปลากรออกมาท่านก็เห็นระบบของมนโนอ๋อการที่เคยจดจําประทับใจไว้น่ะ จากวันนั้นมันมาเป็นวันนี้ขณะที่จิตมันปกติอยู่กับปัจจุบันน่สติในน้อยมันรู้ไม่ทันความคิดปลากฏขึ้นมากลายเป็นความกลัวทันทีอันนี้เรียกว่าจิตอสุรกายแล้วมันกระโดดขึ้นไปสักพักหนึ่งมันได้สติสติมันมากขึ้นมันก็ค่อยๆเปิดเงี้ยมาดูว่ไอ้ตกลงมันมีหรือไม่มีมันไปหรือยังพอเปิดมาเห็นมันไม่มีขนาดนั้นเองก็เกิดสติขึ้นมาอย่างนี้นะ เพรนเองลองลอยอย่างเงี้ยลองแยกไข่ดีเราจะเห็นว่าเออบางทีเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จบไปโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์จากมันแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเลยเราจะเห็นเลยว่าเออความคิดพวกนี้เป็นแค่ความคิดเป็นรูปรอยที่มันประทับไว้ภายในจิตใจของเราตรงนี้แหละสิ่งใดก็ตามที่ทําจนกระทั่งเป็นนิสัยอาจินตกรรมกรรมที่ทําจะเป็นนิสัยเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยาก ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าวัตฏะสงสารหรือ ว, ว่าวัตฏะภัยมันเกิดจากความคิดของเราเนี่เองถ้าเราสามารถที่จะตัดได้หยุดมันได้กันตรงนั้นะเป็นทางออกทางรอดของชีวิตเราที่อยู่เนือเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนือวัตฏะสงสารมันมีภัยเป็นภัยไล่ที่อยู่ในตัวเราคนอื่นหลอกไม่น่ากลัวผีหลอกไม่น่ากลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองนี่น่ากลัว พรวความคิดมันอยู่กับตัวเราเป็นภัยร้ายในตัวกินก็ไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากความคิดมันอยู่ภายในจิตในใจของเรามันเกิดขึ้นอยู่แต่เรารู้ไม่ทันตัวนี้มันเป็นภัยร้า ย, ายอุทกาภายัยวัฏภยัยวินาศภัยโจ ร, รภยัยโลคาภายัยมันไม่ร้ายเท่ากับภัยวัตาสงสารก็คือความคิดที่เกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบแล้วก็เราก็หลงเข้าไปรู้ไม่เท่าทันคิดแล้วก็หัวร้อนคิดแล้วก็ร้องไห้คิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์ เมื่อเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวตัวนี้นก็เท่ากับเราได้เห็นแล้วว่าเออเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อพบชาติชะลามรณะมันมีจริงๆริพบเกิดในจิตตัวรู้สึกตัวมันก็แก้ตัดกรรมทันทีลบลอยทันทีตรงนี้ตัวนี้เราปฏิบัติมากๆเราจะได้เห็นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะกลุ่มที่มาปฏิบัติเป็นวันที่สองการปฏิบัติแล้วเราก็จะ รู้สึกตัวแต่เช้าตั้งแต่บัดนี้จนทั้งตอนเย็นเลยอยู่เหมือนกับกลุ่มที่เขาเก็บอารมณ์อุกฤษเลยต่างคนต่างอยู่เป็นตัวของตัวเองกันแล้วก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วก็งดพูดเพื่อภาวนาพยายามที่จะใช้เวลาอยู่กับการเคลื่อนการไหวรู้เท่าที่รู้มันหลงก็กลับมาหาตัวสัมผัสที่ฐานกายท่านี้ หรือว่ากายยาโนกัสนายทิพย์ฐา น, านทำตรงนี้ให้จํานานซะ ก, ก่อนองเ น, น, นะเร า, าวันนี้เห็นว่าสมควรเก่เวลาก็ขอให้เราได้ใช้เวลานะที่มีอยู่ทุกๆขณะกับความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เห็นความจริงของชีวิตเรากันใจของเรามีการเคลื่อนกันไหวใจของเราเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของจิตของใจแต่ละขณะนะมันมีเคลื่อนไหวไปรัว่วเคลื่อนไหวไปหลงเราก็จะมีความรู้สึกตัวที่ฐานกายนะอยู่ตลอดเวลัเวลา เท่าที่มันสามารถที่จะทําให้ต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงสัมพันธ์สัมพันธ์กันได้ก็ขอให้อนนี้ส์ของการเจริญสติทำเราเจอการชีวิตที่พาสุกใชยชีวิตอย่างมีกําไรจนทั้งอยู่เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายในปลวัชาตินี้โดยทุนนกันทุกรูปทุกนานเทิน